ชีวิตของพวกเรามีส่วนประกอบอยู่สองส่วนด้วยกันคือกายกับใจระหว่างกายกับใจนี้ใจเป็นส่วนที่สำคัญกว่าดังที่มีคำพูดว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าว ใจสําคัญเพราะว่าใจเป็นสิ่งที่ถาวรไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันสิ้นไม่มีวันตายส่วนกายนี้เป็นส่วนที่ไม่ถาวรเป็นส่วนที่มีวันสิ้นสุดมีวันตาย และความสุขความทุกข์ของใจนี้ก็มีน้ำหนักมากกว่าความสุขความทุกข์ของกายพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราให้สำคัญแก่ใจมากกว่า ให้ความสำคัญแก่ร่างกายเพราะใจนี้จะอยู่กับเราไปตลอดส่วนร่างกายนี้จะต้องจากเราไปในวันใดวันหนึ่งอย่างแน่นอนถ้าเราไม่ดูแลให้ความสำคัญกับใจ กลับไปให้ความสําคัญกับร่างกายเราก็จะพบกับความผิดหวงังเราก็จะพบกับความทุกข์ต่างๆความทุกข์ทางใจเกิดจากความหลงของใจเองที่ไปให้ความสําคัญแก่ร่างกายมากกว่าให้ความสําคัญ แก่ใจพระพุทธเจ้าทรงตัดสรุ้ความจริงอันนี้ว่าใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญกับร่างกายต้องรักษาใจต้องปล่อยวางร่างกายถึงจะทำให้ใจไม่ทุกข์ทำให้ใจมีความสุข ถ้าไปรักษาร่างกายไปยึดติดกับร่างกายจะสร้างความทุกข์ให้กับใจแล้วความสุขที่ได้จากการดูแลร่างกายก็เป็นความสุขชั่วคราวและเป็นความสุขที่มีน้ำหนักน้อยกว่าความสุขหรือความทุกข์ของใจ ถ้าเราให้ความสำคัญกับใจดูแลรักษาใจให้มีความสุขปราศจากความทุกเวลาที่ร่างกายมีความทุกความทุกของร่างกายนี้จะไม่ไปกระทบกระเทือนกับใจที่มีความสุขเพราะความสุขของใจนี้ มีน้ำหนักมากกว่าความทุกข์ของร่างกายในทางตรงกันข้ามถ้าร่างกายมีความสุขแต่ใจมีความทุกข์ความสุขของทางร่างกายจะไม่สามารถไปบดบังหรือไปกลบความทุกข์ของใจได้เพราะความสุขของร่างกายนี้ เป็นส่วนน้อยความทุกข์ของร่างกายของใจเป็นส่วนใหญ่นี่คือความแตกต่างของกายกับใจถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงตรัสรู้แล้วนำเอาสิ่งเทพเพื่อองทรงรูน้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเรา พวกเราก็จะหลงอยู่กับการดูแลรักษาร่างกายหาความสุขทางร่างกายแล้วก็มาทุกข์กันในทางใจกันทุกวันนี้ความทุกข์ทางใจของพวกเหล่านี้ก็เกิดจากการที่เราไปหลงรักร่างกาย ดูแลรักษาร่างกายที่ไม่สามารถที่จะดูแลรักษาให้อยู่กับเราไปได้ตลอดเวลาที่ร่างกายแก่ลงไปเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่ร่างกายตายไปเป็นเวลาที่สร้างความทุกข์ให้แก่ใจเป็นอย่างมาก เพราะว่าเราไม่ได้ดูแลใจกันปล่อยให้ใจทุกข์เพราะความหลงที่ไปหลงรักร่างกายและคอยดูแลรักษาร่างกายอย่างสุดกำลังแต่ก็ไม่สามารถที่จะรักษาร่างกายนี้ไว้ได้ เพราะความจริงก็คือร่างกายนี้เป็นของชั่วขา่าวเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไปในที่สุดแต่ใจนี้ที่มาเกิดที่มาครอบครองร่างกายนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่ต้องทุกไปกับความหลง กับความอยากกับความผูกพันกับความยึดติดกับร่างกายและสิ่งต่างๆที่หามาได้ผ่านทางร่างกายเช่นบุคคลต่างๆที่เรามีความสัมพันธ์ด้วยเช่นบิดามารดาสามีภรรยาบุตรธิดา ยาสนิทมิตสหายและทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆของเหล่านี้เป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นของชั่วคราวเป็นของที่จะต้องมีวันหมดไปใจที่ถูกความหลงหลอกให้มารักมาชอบมายึดมาติด จึงต้องทุกข์ทรมานใจเวลาที่ต้องสูญเสียบุคคลต่างๆไปสูญเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆไปเพราะความหลงความที่ไม่รู้จักใจนั่นเองไม่รู้จักว่าใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นสิ่งที่ จะให้ความสุขและความทุกข์กับเรามากที่สุดถ้าเราดูแลรักษาใจใจก็จะให้ความสุขกับเรามากกว่าความสุขที่เราจะได้รับจากสิ่งต่างๆในโลกนี้ถ้าเราไม่ดูแลรักษาใจใจก็จะให้ความทุกข์กับเราเป็นความทุกข์ที่หนักที่สุด หนักกความทุกข์ต่างๆทางร่างกายดังนั้นหลังจากที่พวกเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาและได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เรารู้ว่าใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเราให้เรานี้ มาดูแลรักษาใจกันจะดีกว่าดีกว่าที่จะไปดูแลรักษาสิ่งที่จะต้องหมดไปเช่นส่งสอนว่าให้สละทรัพย์เพื่อรักษาอวายวะให้สละอวายุวะเพื่อรักษาชีวิตและให้สละชีวิตเพื่อรักษาธรรมทำไมต้องรักษาธรรม เพราะทำเป็นที่พึ่งของใจนั่นเองใจจะสุขใจจะทุกข์ก็อยู่ที่ธรรมนี้ถ้าใจมีธรรมแล้วใจจะมีแต่ความสุขใจจะไม่มีความทุกขนะ์ถ้าใจไม่มีธรรมต่อให้มีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองกองเท่าภูเขาใจก็ยังจะต้องทุกข์อยู่ต่อให้มีรูปร่าง หน้าตาที่สวยงามที่น่ารักน่าดูน่าชมใจก็ยังต้องทุกข์อยู่เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ก็ดีเป็นอวัยวะก็ดีเป็นร่างกายเป็นชีวิตนี้ก็ดีจะต้องมีวันสิ้นสุดไปนั่นเองเวลาที่สิ่งต่างๆเหล่านี้หมดไปใจก็จะ เดือดร้อนถ้าใจยึดสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสาระเป็นที่พึ่งแต่ถ้าใจไม่ยึดสิ่งเหล่านี้เป็นสาระเป็นที่พึ่งยึดธรรมมังสารนังกัชชามิเป็นที่พึ่ ง, ง, ง, งใจก็จะไม่เดือดร้อนไม่ทุกไปกับความเสื่อมความสิ้นสุด ของทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองของอวัยวะและของชีวิตนี่แหละคือสิ่งที่ใจต้องการคือธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ส่งนําเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราใจไม่ต้องการทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่ต้องการอวัยวะ ไม่ต้องการชีวิต <c oughs> เพราะทรัพสมบัติเข้าของเงินทองอวัยวะและชีวิตนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองอนิจจังก็คือไม่เที่ยงมีวันสิ้นสุดลงอนัตตาห้ามไม่ได้ห้ามไม่ให้ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองอวัยวะ และชีวิตนี้สิ้นสุดลงไม่ได้ถ้าอยากให้เขาอยู่ไปนานๆไม่มีวันสิ้นสุดก็จะต้องเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะเป็นกฎของอริยสัจสี่ทุกข์ใจนี้เกิดจากตัณหาความอยากเช่นอยากให้ร่ำรวยไปอยากจะให้มีอวัยวะสมบูรณ์ อยากจะให้มีชีวิตที่ยืนยาวนานไม่มีวันสิ้นสุดซึ่งเป็นความอยากที่เป็นไปไม่ได้ขัดต่อหลักของธรรมชาติคืออนัตตาคืออนิจจ์อนิจจงก็คือเกิดแก่เจ็บตายอนาัตตาก็คือห้ามไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ใจต้องปล่อยวางเท่านั้นถึงจะหยุดตันหาความอยากที่สร้างความทุกข์ใจขึ้นมานี่แหละคือธรรมะของพระพุทธเจ้าก็คืออริยสัจสี่และอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ไม่มีใครรู้มาก่อนมีพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์เดียวพระองค์แรก ที่ส่งคนพบหลังจากได้พบแล้วก็ทำให้พระองค์สามารถปล่อยวางทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองปล่อยวางอวัยวะปล่อยวางชีวิตได้ไม่ยึดไม่ติดพอปล่อยได้แล้วพระไทยของพระองค์ก็ส่งหลุดพ้นจากความทุกข์ เพราะต้นเหตุของความทุกข์คือความอยากให้สิ่งต่างๆนั้นอยู่ไปเรื่อยๆนั้นไม่เกิดขึ้นมาเมื่อไม่เกิดความอยากให้สิ่งต่างๆอยู่ไปนานๆใจก็ไม่ทุกข์เพราะสิ่งต่างๆนั้นต้องมีวันสิ้นสุดลงมีวันหมดไป นี่คือธรรมะที่พวกเราที่พระพุทธเจ้าสงสอนให้พวกเรารักษากันรักษาธรรมยิ่งกว่าทรัพยิ่งกว่าอา ว, วัยวะยิ่งกว่าชีวิตเพราะธรรมะนี้สำคัญกว่าเพราะธรรมะนี้เป็นที่พึ่งของใจมีธรรมะแล้วใจจะไม่ทุกข์ใจจะมีความสุขตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่กับสาภาพใดก็ตามอยู่กับความสิ้นเนื้อปดาตัวอยู่กับความเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่กับความพิกลพิการของร่างกายหรืออยู่กับความตายของร่างกายก็จะไม่เป็นปัญหากับใจพวกเราจึงต้องมาสร้างธรรมะกันขึ้นมา น้อมเราธรรมะที่พระพุทธเจ้าสงสอนให้นำเข้ามาสู่ใจด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราปฏิบัติแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะเข้ามาประดิษฐานอยู่ภายในใจถ้าคำสอนยังอยู่ภายในภายนอกใจอยู่ คำสอนยังจะไม่สามารถเป็นที่พึ่งของใจได้เหมือนกับยารักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆของทางร่างกายถ้าเราไม่ได้รับประทานไม่ได้นำเอาเข้ามาสู่ภายในร่างกายยาก็จะไม่สามารถทำหน้าที่รักษาร่างกายรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายไปจากร่างกายได้ เราต้องรับประทานยาตามที่หมอสั่งหมอให้ยาเรามาเราก็เอามารับประทานตามที่หมอสั่งหมอสั่งให้รับประทานครั้งละกี่เม็ดครั้งละกี่วันละกี่เวลาเราก็ต้องทำตามที่หมอสั่งพอเรารับประทานยาเข้าไปในร่างกายแล้วยาก็จะสามารถทำหน้าที่ของยาได้ คือไปทำลายชื่อโรคที่สร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ร่างกายได้จนหมดไปฉันใดธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนั้นเป็นเหมือนยารักษาทางร่างกายเราก็ต้องน้อมเอาเข้ามาสู่ใจด้วยการปฏิบัติปฏิบัติตามที่ทรงสอน เช่นส่งสอนให้สละทรัพย์ส่งสอนให้สละอวัยวะส่งสอนให้สละชีวิตเพื่อที่จะได้สร้างธรรมขึ้นมาถ้าเรายังหวงทรัพย์สมบัติข้าของอยู่หวงอวัยวะหวงชีวิตอยู่เราจะไม่สามารถสร้างธรรมะขึ้นมาได้นั่นเอง เราจะไม่สามารถออกไปปฏิบัติธรรมได้ถ้าเราสังเกตดูเราจะเห็นว่าผู้ที่ออกไปสร้างธรรมะกันออกไปปฏิบัติธรรมกันนั้นท่านจะสละสิ่งเหล่านี้ไปท่านจะสละทรัพย์ท่านจะสล ะ, ะ, ะ อ, ว, อวัยวะคือตาหูจมูกลิ้นกายคือไม่แสวงหาไม่ใช้ตาหูจมูกลิ้นกาย แสวงหาความสุขต่างๆและพร้อมที่จะเสียชีวิตถ้าต้องไปอยู่ในที่ที่เสี่ยงภัยพร้อมที่จะไปเพื่อที่จะได้สร้างธรรมขึ้นมาภายในใจครูบาอาจารย์ต่างๆพระพุทธเจ้านั้นต้องไปอยู่ในป่าในเขากันทั้งนั้น ไปอยู่กับสิงสาราสัตว์ที่อาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ถ้าพลาดไปพบกับเขาเข้าและถูกเขากัดตายไปก็ได้ผู้ที่ยังกลัวความตายอยู่ผู้ที่ยังยักรักที่จะใช้อวัยวะคือตาหูจมูกลิ้นกาย คอยหาความสุขให้แก่ใจอยู่ผู้ที่ยังรักทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอยู่ก็จะไม่สามารถที่จะสละสิ่งเหล่านี้ไปได้ถ้าไม่สละไม่ได้ก็จะไม่สามารถที่จะไปสร้างธรรมะขึ้นมาภายในใจได้นี่คือ การสร้างที่พึ่งทางใจต้องสร้างด้วยธรรมเพียงอย่างเดียวต้องสละทุกสิ่งทุกอย่างไปจะได้ไม่มีอุปสรรคต่อการบำเพ็ญต่อการสร้างธรรมมังสารนังกชามิให้เกิดขึ้นมาภายในใจดังนั้นถ้าเราอยากที่จะ ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆเราก็ต้องมีความกล้าหาญเราต้องยึดแบบฉบับของพระพุทธเจ้าและของพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายท่านเป็นผู้ที่กล้าที่จะเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อทำเพียงอย่างเดียวท่านจึงได้ทำมาเป็นที่พึ่ง ทางใจถ้าท่านไม่เสียสละทรัพ ย, ย์ไม่เสียสละอวัยวะไม่เสียสละชีวิตท่านก็จะไม่ได้ที่พึ่งทางใจไม่ได้ธรรมงสระนังกชามิไม่ได้มาเป็นพุทธทางสระนังกชามิไม่ได้มาเป็นสังฆังสระนังกชามิให้แก่พวกเรา คำว่าพุทธังหรือสังฆังสาวนังกะฉามิก็คือเป็นผู้นำทางเป็นผู้มีแบบฉบับมีตัวอย่างที่ดีให้ผู้ที่ติดตามได้ยึดเป็นเป็นแนวทางของการปฏิบัตนะิถ้าไม่มีพระพุทธเจ้านำทางไม่มีพระอริยสงสามบอกนำทางพวกเราก็จะ ไม่รู้จักทางไปเราก็จะถูกความหลงหลอกให้เราไปในทางของการหาทรัพย์หาความสุขทางตาหูจมูกลิ่นกายหาความสุขจากการดูแลรักษาชีวิตร่างกายของพวกเราซึ่งเป็นทางที่นำไปสู่ความทุกข์ในที่สุดนั่นเอง ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็ดีไม่มีพระอริยสงสาวกก็ดีเราก็จะไม่มีตัวอย่างที่จะพาเราไปสู่ธรรมังสระนังกชามิไปสู่ความไม่มีความทุกข์นคือความหลุดพ้นจากความทุกข์นดังนั้นเราจึงต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์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 ชีวประวัติของภาษาวกที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกในปัจจุบันก็ชีวประวัติของภาพสุปฏิปันโนทั้งหลายภาพปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเช่นหลวงตาหลวงปู่มั่นกูบาอาจารย์ต่างๆที่เราเคารพนับถือเราควรที่จะศึกษาประวัติความเป็นมาของท่าน ว่าท่านมาเป็นพระอริยสงสาวกได้อย่างไรพระพุทธเจ้ามาเป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างไรถ้าเราอยากจะเป็นเหมือนกับพระพุทธเจ้าอยากจะเป็นเหมือนกับพระอริยสงสาวกเราก็ต้องปฏิบัติแบบเดียวกันเพราะนี่มันเป็นเรื่องของเหตุและผลนั่นเองเหตุก็คือการปฏิบัติผลก็คือ ผลที่ได้รับจากการปฏิบัติเช่นการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าก็าทำให้พระพุทธเจ้าได้บรรลุมรรคผลนิพพานการปฏิบัติของพระอริยสงฆ์ก็เป็นเหตุที่ทำให้พระอริยสงฆ์ทั้งหลายได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันถ้าการปฏิบัติของพวกเราเป็นเหมือนกับการปฏิบัติของพระพุทธเจ้า เป็นเหมือนกับการปฏิบัติของพระอริยสงสาวกผลก็จะต้องเป็นเหมือนกันก็คือการบรรลุมรรคผลนิพพานเช่นเดียวกันเป็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปกับการกับเวลาหลักของเหตุผลนี้เป็นของตายตัวไม่ได้เปลี่ยนไปตามการตามเวลาถึงแม้ว่าเวลาของพระพุทธเจ้ากับ เวลาของพวกเรานี้ห่างกันเป็นพันพันปีก็ตามแต่หลักการนั้นก็เป็นอันเดียวกันหลักการคือเหตุและผลเหตุก็คือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและผลก็คือการบรรลุมรรคผลนิพพานก็จะเป็นอันเดียวกันและจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดอนันตการในอนาคต ต่อไปข้างหน้าเวลาที่มีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาตรัสรู้ก็จะทรงบำเพ็ญและทรงสอนอย่างเดียวกับที่พระพุทธเจ้าของพวกเราได้ทรงบำเพ็ญและได้ท่งสั่งสอนผู้ที่ปฏิบัติตามก็จะได้รับผลอันเดียวกันคือได้บรรลุมรรคผลนิพพานเหมือนกันเป็น อาการลิโกไม่ได้ขึ้นกับการกับเวลาเพราะเวลาของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่มาปรากฏให้โลกได้กราบไหว้สักการะบูชาได้ยึดเป็นสระนังกรฉามินี้ก็ห่างไกลกันเป็นกับแต่หลักการของการปฏิบัติและการบรรลุผลจากการปฏิบัตินั้นก็เป็นอันเดียวกัน ดังนั้นพวกเราไม่ต้องลังเลสงสัยไม่ต้องไปกังวลว่าไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วการปฏิบัติจะได้ผลหรือไม่อย่างไรต้องได้ผลแน่นอนเพราะในปัจจุบันก็มีผู้น้อเอาพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกมาเป็นแบบมาเป็นฉบับมาเป็นตัวอย่าง แล้วนำแล้วก็ปฏิบัติตามจนได้บรรลุมรรคผลนิพพานเช่นเดียวกันดังนั้นอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่การปฏิบัติของพวกเราเองไม่ได้อยู่ที่ไข่ทั้งนั้นทุกคนมีสิทธิ์ถ้าปฏิบัติได้ก็จะบรรลุได้ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายจะเป็นนักบวชหรือเป็นผู้ครองเรือน จะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่จะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศไม่เป็นประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญอยู่ที่การบำเพ็ญอยู่ที่การปฏิบัติเท่านั้นยังไม่ต้องไปกังวลว่าเราเป็นเพศอย่างไรเราเป็นหญิงหรือเป็นชายเราเป็นนักบวช หรือเราเป็นผู้ครองเรือนถ้าเราเป็นผู้ครองเรือนแต่เราปฏิบัติเหมือนนักบวชปฏิบัติเป็นสุปฏิปันโนได้มันก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้ถ้าเป็นนักบวชแต่ไม่ได้ปฏิบัติสุปฏิปันโนไม่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการเป็นนักบวชก็ไม่ได้ทําให้ได้มรรคผลนิพพานขึ้นมาแต่อย่างใด ที่ทำไมต้องบวชกับไม่บวชนั้นก็เป็นเรื่องของความสะดวกในการปฏิบัติมากกว่าถ้าได้บวชแล้วจะได้ปฏิบัติได้อย่างสะดวกรวดเร็วคล่องแคล่วไม่มีภารกิจเรื่องอื่นมาคอยดึงเอาเวลาไปหรือเปรียบเหมือนกับการรักษาตัวเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย รักษาที่บ้านกับรักษาที่โรงพยาบาลก็รักษาได้อยู่ที่บ้านก็รักษาได้รับประทานยาได้ฉีดยาได้แต่อาจจะผ่าตัดไม่ได้ถ้าไปรักษาที่โรงพยาบาลเครื่องไม้เครื่องมือก็จะมีพร้อมกว่าพยาบาลมีหมอ ม, หมีอยู่มียาพร้อมทุกอย่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลย่อม มีโอกาสที่จะรักษาให้หายได้เร็วกว่าและง่ายกว่าการรักษาที่บ้านฉันางใดการปฏิบัติแบบนักบวชกับการปฏิบัติแบบข้ารหัสผู้คลองเรือนก็เป็นในลักษณะอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้ห้ามว่าจะต้องเป็นนักบวชเท่านั้นถึงจะปฏิบัติและบรรลุมรรคผลนิพพานได้ เป็นครรหัสคู่ครองเรือนก็สามารถที่จะปฏิบัติและบรรลุมรรคผลนิผ่านได้เช่นเดียวกันอยู่ที่ผู้ปฏิบัติเองว่าสามารถที่จะกำจัดนิวรณ์หรืออุปสรรคต่ตางๆที่จะมาคอยขัดขวางในการปฏิบัติเท่านั้นเองถ้าเป็นนักบวชอุปสรรคต่ตางๆก็จะน้อยกว่าผู้เป็นครรหัสผู้ครองเรือน แต่ข้รหัสบางท่านอาจจะอยู่แบบนักบวชก็ได้อยู่ตามลําพังไม่มีภาระเกี่ยวข้องกับใครก็สามารถที่จะบําเพ็ญได้อย่างเต็มที่เหมือนกับเป็นนักบวช ด, ดังนั้นขอให้เราอย่าไปยึดติดอยู่กับภาพของการเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นผู้ครองเรือนหรือเป็นนักบวช เป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญปัจจัย ส, สำคัญก็คือความเพียรในการปฏิบัติวิริยะความเพียร น, นี่แหละเป็นตัวที่จะผลักดันให้การบำเพ็ญ น, นั้นจเจริญก้าวหน้าไปตามลำดับแล้วก็เพียร สร้างทมที่ควรจะสร้างนั่นเองคือเพียรสร้างสติเป็นอันดับแรกเพราะสตินี้เป็นเหมือนด่านแรกของการปฏิบัติถ้าไม่มีสติแล้วก็จะไม่ได้สมาธิถ้าไม่ได้สมาธิก็จะไม่ได้ปัญญาถ้าปัญญาที่ได้ก็ไม่ได้เป็นปัญญาที่จะมา ทำลายตันหาความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ได้เช่นปัญญาที่พวกเรากำลังสร้างกันในขณะนี้เรียกว่าสุตมยาปัญญาปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังแต่ปัญญานี้ยังไม่สามารถที่จะทำลายตันหาความอยากต่างๆ ที่ยังมีอยู่ภายในใจของพวกเราได้อยู่ถ้าสามารถทําลายได้ก็จะเรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญานี้มีสามระดับด้วยกันระดับแรกเรียกว่าสุตตะมยปัญญาเราต้องได้ยินได้ฟังก่อนว่าวิธีดับความทุกข์นั้นดับได้อย่างไรเมื่อเรารู้แล้ว เราก็เอาความรู้นี้มาพิจารณามาค่าครวนมาคิดอยู่เรื่อยๆเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมเพราะถ้าเราฟังแล้วเราไม่ได้เอามาคิดต่อไม่ได้เอามาพิจารณาอย่างเนืองๆต่อเดี๋ยวความรู้ที่เราได้ยินได้ฟังในวันนี้ก็จะถูกเรื่องราวอย่างอื่นมากลบไปเช่นพอเราออกจากที่นี่ไป เราก็ต้องไปทำภารกิจการงานต่างๆไปคุยไปสนทนากันก็จะมีเรื่องนั่นเรื่องนี้เข้ามาให้เราได้สนทนากันเรื่องของธรรมที่เราได้ยินในวันนี้ก็จะถูกเรื่องใหม่ๆเข้ามากรบไปถ้าเราไม่ลื้อฟื้นดึงขึ้นมาด้วยการพิจารณาเดี๋ยวไม่นานเราก็จะลืมไป ปัญญาที่ได้ก็จะเป็นปัญญาชั่วคราวสุดแต่มยปัญญานี้ถ้าไม่ได้รับการรักษาด้วยจินตามายปัญญาคือการค่้ครวนการพิจารณาอยู่อย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอทมต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังในวันนี้ก็จะจางหายไปหมดแล้วพอเวลาเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาเราก็จะไม่มีธรรมมา แก่และทำที่เราได้จากการคิดค่ายควรนี้ถึงแม้เราจะไม่ลืมเราก็ยังไม่สามารถที่จะหยุดตันหาความอยากได้เพราะใจของเรายังขาดปัจจัยสาคัญคืออุเบกขาคือการยับยั้งจิตใจให้สักแต่ว่ารู้ให้อยู่เฉยๆนั่นเองเวลาใจเราไม่มีอุเบกขานี้ เวลาเกิดตัณหาความอยากขึ้นมานี้ใจจะห้ามไม่อยู่จะห้ามความอยากไม่อยู่จะต้องไปทําตามความอยากทันทีแต่ถ้ามีอุเบกขาที่ได้จากการฝึกนั่งทาสมาธิเวลาจิตรวมลงเป็นสัตว์แต่ว่ารู้ที่เรียกว่าเป็นอัปปนาสมาธิจะเกิดอุเบกขาขึ้นมา ถ้าเรานั่งบ่อย ๆ, อยๆนั่งมากๆนั่งนาน ๆ, นๆอุเบกขานี้ก็จะมีกําลังมากขึ้นไปตามลำดับแล้วเวลาออกมาจากสมาธิแล้วมาเจอตันหาความอยากแล้วถ้ามีปัญญาสอนว่าอยากไปทําตามความอยากเพราะจะเป็นการไปหาความทุกข์เพราะสิ่งที่ อยากได้นั้นเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตาห้ามเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้เวลาสูญเสียสิ่งที่ให้ความสุขกับเราไปใจก็จะต้องทุกข์ขึ้นมา ท, ทันทีถ้าปัญญาสอนใจแล้วใจมีอุเบกขาใจก็จะฝืนความอยากได้ไม่ทำตามความอยากพอเห็นแล้วว่าถ้าทำไป ก็จะต้องไปเจอความทุกข์ต่อไปไม่ช้าก็เร็วเวลาที่ได้สิ่งที่เรารักมาแล้วเราต้องสูญเสียทิ้งสิ่งที่เรารักไปสู้อย่าไปเอามาไม่ดีกว่าเือสมมติถ้าหมอดูเขาบอกว่าถ้าคุณแต่งงานคุณจะต้องเสียสามีหรือภรรยาของคุณไปภายในระยะเวลาสามเดือน คนยังคิดว่าควรจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานดีอันนี้ก็เป็นเรื่องของอ น, นิจจ์พระพุทธเจ้าสอนให้เราคิดแบบนี้ว่าได้มาเราต้องเสียอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าจะเสียเมื่อไหร่เท่านั้นเองอาจจะเสียช้าอาจจะเสียเร็วก็ได้บางคนมั่นกันยังไม่ทันแต่งงานกันก็มีการตายจากกาันไปก็มี แล้วอะไรตามมาเวลาที่เกิดการพัดพาคหยกกันก็คือความทุกข์นั่นเองนี่คือหน้าที่ของปัญญาต้องวาดภาพให้เห็นให้ใจเห็นชัดๆว่ากำลังเดินเข้าสู่ความทุกข์เพราะสิ่งที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกรานั้นมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันจะอยู่กับเราได้นานหรือไม่นานเราก็ไม่รู้แต่สิ่งที่แน่ๆก็คือ ไม่ช้าก็เร็วเขาจะต้องจากเราไปอย่างแน่นอนแล้วเราก็ไปห้ามไม่ได้ยับยั้งไม่ได้ถ้าปัญญาสอนใจให้เห็นภาพอย่างชัดเจนถึงความทุกข์ที่จะตามมาใจที่มีอุบเบกขาก็จะฝืนความอยากได้ไม่ทำตามความอยากได้ใจก็จะไม่ต้องไปทุกข์ใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ นี่คือปัญญาขั้นสุดท้ายเรียกว่าภาวนาไมยปัญญาเป็นปัญญาที่จะต้องมีภาวนาคือสมถภาวนาหรืออุเบกขานี่เองเป็นผู้สนับสนุนถึงจะเป็นปัญญาที่ดับความทุกข์ได้ละตัณหาละความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ นี่คือธรรมที่พวกเราจะต้องน้อมเอามาปฏิบัติกันตามแบบฉบับตามตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายท่านได้ปฏิบัติกันท่านมีวิริยะความภาคเพียรอุตสาหะที่จะเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อจเจริญสติให้มีสติอย่างต่อเนื่องไม่ให้พลังไม่ให้เผลอไม่ให้ใจลอยไป ตามเรื่องราวต่างๆให้ใจเกาะติดอยู่กับอารมณ์ที่จะรักษาให้ใจนี้ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันก็คือกรรมฐาน40สอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นการบริกรรมพุทโธก็เรียกว่าพุทธานุสติการจดจอ่อเฝ้าดูการเคลื่อนไหว ของร่างกายก็เรียกว่ากายกตาสติหรือเวลานั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกก็เรียกว่าอนาปนาสตินี่คือกรรมฐานเครื่องมือที่จะสร้างสติขึ้นมาถ้ามีสติแล้วเวลานั่งสมาธิใจก็จะรวมเข้าสู่อัปปนาสมาธิได้ใจก็จะได้อุบเบกขา ได้พลังไว้ต่อต้านตันหาความอยากในเบื้องต้นก็ต้องฝึกสมาธิให้ใจนี้นิ่งให้แข็งเหมือนก้อนหินที่จะสามารถสู้กับกำลังของตันหาความอยากพอมีสมาธิแบบที่แน่นหนามั่นคงแล้วก็ออกทางปัญญาศึกษาดูอนาคต ถ้าเดินไปในทางความอยากอะไรจะตามมาอั น, นิจจังอนาตตาก็จะตามมาความทุกข์ก็จะตามมาถ้าเห็นว่ากำลังเดินเข้าไปสู่ความทุกข์ก็ใช้อุเบกขานีหยุดได้ถ้ามีอุเบกขาถ้าไม่มีอุเบกขามันก็ยังจะไหลไปกับตัณหาความอยากอยากเรื่องใดก็จะ ก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะต้องวิตกกังวลกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปถ้ายังมีความอยากกับเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เพราะยังไม่เห็นอนิจจังยังไม่เห็นอนัตตาตลอดเวลาเวลาใดที่เผลอความอยากมันก็สามารถดึงใจให้ไปวิตกไปกังวลกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้แต่ถ้ามีปัญญา เห็นอยู่ตลอดเวลาเห็นว่ามันเป็นอนิจจังเห็นว่ามันเป็นอนัตตาไปวิตกกังวลอย่างไรมันก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงความจริงความจริงก็คือทุกสิ่งทุกอย่างทุกสัตว์ทุกบุคคลจะต้องมีวันสิ้นสุดลงไปช้าหรือเร็วเท่านั้นเองจะไปวิตกไปกังวลอย่างไรมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความจริงอันนี้ นี่คือหน้าที่ของปัญญาที่จะต้องหมั่นพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เรื่อยๆจนไม่มีช่องว่างให้ตันหาความอยากมันแทรกเข้ามาดึงใจให้ไปวิตกไปกังวลไปทุกข์ไปห่วงใยกับสิ่งนั่นหรือสิ่งนี้ถ้าหมั่นพิจารณาอยู่เรื่อยๆหลังจากออกจากสมาธิแล้วปัญญาก็จะรวดเร็ว เวลากิเลสตัณหามาหลอกมาล่อปัญญาก็จะสามารถมาระ ง, งับได้ทันท่วงทีถ้าไม่หมั่นพิ จ, จารณาถึงแม้มีสมาธิก็ยังจะหลงไหลไปกับความความอยากต่างๆได้ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีทั้งสมาธิและจะต้องมีปัญญาคือหลังจากออกสมาธิมาแล้ว ถ้าเรามีสมาธิที่แน่นหนามั่นคงแล้วมีอุเบกขาตลอดเวลาสิ่งที่ต้องทำก็ต้องมีปัญญาตลอดเวลาต้องเห็นตายรักตลอดเวลาเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอสุภะเห็นอาหาเรเลยปฏิกูลลสัญญาเห็นธาตุสี่ดินน้าลมไฟเห็นอาการสามสิบสองต้องเห็นอยู่ตลอดเวลา แล้วมันจะไม่หลงไปคิดว่าเป็นจัดเป็นบุคคลเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นบุตรเป็นธิดาเป็นบิดาเป็นมารดาจะเห็นว่าเป็นเพียงอาการสามสิบสองเห็นว่าเป็นด่นน้ำาลงไฟเห็นว่าเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องเห็นตลอดเวลาถึงจะสามารถที่จะ ทำลายตันหาความอยากได้เพราะตันหาความอยากนี้มันโผล่ขึ้นมาได้ตลอดเวลาเวลาใดที่เผลอไม่ได้มีปัญญาเวลานั้นก็จะถูกตันหาเข้ามาขาโมยดึงเอาใจให้ไปวิ่งเข้าหากองทุกได้ทันทีแต่เวลาใดที่ปัญญาทันปัญญาก็สามารถดึงใจให้กลับเข้ามาสู่ความสงบได้ สู่เบคาได้นี่เป็นการเพียงการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติที่จำเป็นจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องถ้ายังต้องไปทำภารกิจการงานเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่มันก็จะเปิดช่องโหว่ให้ตันหาความอยากมาดึงใจให้ไปวุ่นกับเรื่องราวต่างๆได้ ดนั้นผู้ปฏิบัติเมื่อถึงเ ข, เข้าถึงขั้นปัญญาเข้าถึงขั้นภาวนาแล้วมักจะไม่อยากจะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเพราะว่ามันเป็นการเสียเวลาแล้วก็จะทําให้การปฏิบัติราชา้าไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรจะอยากจะภาวนาเพียงอย่างเดียวจะไม่อยากจะไปยุ่งไปเกี่ยวข้องกับใครเลย ในสายตาของโลกก็อาจจะมองว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวก็ได้แตถ้ามองแบบมีเหตุมีผลก็เป็นเหมือนกับคนที่ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเวลาหมอเขาจับเข้าห้องผ่าตัดจะไปห่วงคนนั้นไปสนใจคนนี้ได้อย่างไรจะไปงานเลี้ยงของคนนั้นไปงานแต่งงานไปงานศพของคนนั้นคนนี้ได้อย่างไรเมื่อกาลังอยู่ในห้องผ่าตัด ในเวลาที่เข้าสู่ขั้นภาวนานี้ก็เหมือนกับการเข้าสู่ห้องผ่าตัดของ จ, จิตใจนี้เองจะไปกังวลกับคนนั่นคนนี้ได้อย่างไรจะไปงานศพไปงานแต่งงานของคนนั่นคนนี้เขาได้อย่างไรถ้าไปมันก็ไม่สามารถที่จะผ่าตัดได้เมื่อไม่ผ่าตัดก็จะไม่สามารถรักษาโาครคภัยไข้เจ็บให้หายขาดได้ เวลาภาวนาจึงมักจะเป็น เ, เป็นเหมือนกับการเข้าห้องผ่าตัดจะต้องมีทําแต่การผ่าตัดเพียงอย่างเดียวมีแต่การเจริญสติสมาธิปัญญากันเพียงอย่างเดียวจนกว่าจะรักษาใจให้หายขาดจากความทุกข์ต่างๆได้แล้วจึงค่อยออกมาดูแลคนอื่นต่อไปอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบาเพ็ญในช่วงที่ทรงบาเพ็ญหกปี ไม่ทรงกลับไปเยี่ยมใครที่พระราชวังเลยแต่หลังจากที่ได้ทรงตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ทรงสเสด็จกลับไปเยี่ยมพระราชบิดาไปเยี่ยมญาติสนิทมิตสหายไปโปรดญาติพี่น้องในพระราชวังแล้วก็โตรดสัตว์โลกเผยแผ่สั่งสอนธรรมะทุกวันตอนบ่ายก็สั่งสอนคารวะญาติโยม ตอนค่ำก็สั่งสอนพระภิกษุสามเณรตอนดึกก็สั่งสอนเทวดาตอนเช้าก่อนจะสรงออกบินตาบาดก็สรงเรียงยานว่าวันนั้นจะสรงไปโปรดสั่งสอนใครเป็นกรณีพิเศษอันนี้เป็นหน้าที่หลังจากที่ได้สรงตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วหลังจากที่ได้ออกจากห้องผ่าตัดมาแล้ว รักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายแล้วตอนนั้นก็เป็นหน้าที่ที่จะดูแลผู้อื่นต่อไปจะไปเรียกว่าทรงเห็นแก่ตัวได้อย่างไรเวลาที่บำเพ็ญหกปีนี้ก็ไม่สนใจใครเลยสนใจแต่การรักษาใจเพียงอย่างเดียวนี่แหละคือแบบฉบับที่พวกเราควรจะน้อมนำเอามาเป็นตัวอย่าง ถ้าเราอยากจะได้รับผลเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้รับผลกันเราก็ต้องเจริญเหตุแบบเดียวกันคือเวลาเราเข้าสู่การบำเพ็ญจิตตภาวนาแล้วเราจะไม่เอาอะไรกับใครเลยจะเอาแต่เรื่องการเจริญสติสมาธิปัญญานี้เป็น หัวใจสำคัญของการปฏิบัติจนกว่าเราจะสามารถทำลายตัณหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจทำลายความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากตัณหาได้หมดไปแล้วทีนี้เราก็พร้อมแล้วที่จะออกมารับใช้ผู้อื่นต่อไปมารับใช้สังคมนี่คือเรื่องของใจ ที่มีความสําคัญต่อร่างกายที่พวกเราควรที่จะให้ความสําคัญตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเพราะถ้าเราได้ให้ความสนใจและปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติแล้วเราก็จะได้ใจที่วิเศษใจที่จะให้ความสุขกับเราไปตลอดใจที่ไม่มีความทุกข์ไปตลอดอนันตการ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 สัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธาเมณิจติระโสยธาสัพ so พิติโยวิวัช so ฌันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตาราโยสุขีทีคายุโกภวะ อาพิวาทานสิลิตะนิจยยจังวุฒาปจายโนจตารโรธมาวาทานติอายุวะโนสุขังพาลังต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบ ป, ปัญหาท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามก็ขอกรุณา ถามในช่วงนี้เลยช่วงที่เปิดไมโครโฟนถ้าหลังจากปิดไมโครโฟนแล้วก็จะไม่ขอตอบคาถามถามอย่างนี้จะได้ประโยชน์กันหลายคนด้วยกันถ้าถามหลังไม้แล้วมันได้ประโยชน์คนเดียวจะไม่คุ้มเหนื่อยอะจะเข้เชิญถามได้ ก, ก, การแม่มาสการพระอาจารย์ค่ะ อยากจะกอดสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติะคะ่คือเวลานั่งสมาธิคือตัวเองเนี่ยรู้ว่าจิตยังไม่นิ่งหรือรวมเป็นหนึ่งนะคะเวลานั่งสมาธิที่กําหนดจุดอยู่ตรงปากพงจมูกอะคะ่ะแล้วเรารู้สึกมันมีความสุขแล้วเรารู้ตัวบางครั้งเนี่ยในบางครั้งหน้าเรายิ้มออกมาคําถามคือเราควรจะตามให้ความสุขอันนี้ไปหรือดึงกลับมาที่พุทโธคะถ้าเราใช้พุทโธก็ต้องอยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆถ้าใช้ลมก็อยู่กับลมไป อย่าไปหลงตามความสุขหรือสิ่งต่างๆที่ปรากฏในขณะที่เรากำลังภาวนาอยู่เพราะไม่เช่นนั้นมันจะไม่พาเราไปสู่ความสงบอย่างเต็มที่แปลว่าต้องดึงจิตกลับมาอยู่ปริกรรมเหมือนเดิมหรือรดูลมเหมือนเดิมใช่ไหมคะใช่กลับคพระคุณค่ะหมดแล้วคะ่ะต่อไปเป็นคำถามจากทางบ้านค่ะคำถามแรกจากผู้ฝากถาม ข้อที่ 1. หนึ่งหนูภาวนูมาภาวนาครั้งนี้อดข้าวเป็นครั้งที่สาตั้งใจว่าจะอดครบเจ็ดวันซึ่งครั้งนี้ไม่เหนื่อยและเพียเหมือนครั้งที่หนึ่งและสองแต่พอถึงวันที่ห้าของการอดขณะที่นั่งสมาธิที่ศาลาสวดมนต์ทำวัดเย็นหนูรู้สึกขึ้นไส้อยากจะอาเจียนเวียนหัวเหมือนศาลาหมุนเหมือนน่าจะาคว่ำมขมำลง เหงื่อออกเยอะมากรู้สึกเหมือนเสื้อและผ้าถุงเปียกหนูพยายามฝืนคิดว่าร่างกายแค่สิบเปอร์เซนส่วนใจก็ 90% เปอร์เซนพยายามท่องอยู่อย่างนี้ 90-10 สิบไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายทนไม่ไหวต้องออกจากสมาธิพอลูมตาก็เห็นว่าเหงื่อเปียกชุ่มทั้งตัวอาการแบบนี้เป็นอาการอะไรคะ และถ้าเจอแบบนี้อีกหนูควรวางใจและรับมืออย่างไรคะคืออาการทางร่างกายนี้มันก็มีต้นเหตุอยู่สองทางด้วยกันคือทางใจกับทางร่างกายบางทีร่างกายเข า, เาไม่สมประกอบเขาก็เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นไข้เป็นอะไรขึ้นมาได้อาการอีกทางก็เกิดจากทางใจเกิดจากกิเลสตัณหา เป็นตัวก่อขึ้นมาดนั้นเราก็ต้องแยก๋ยกดูว่ามันเป็นกิเลสหรือว่ามันเป็นเรื่องของสภาพทางร่างกายเช่นอดอาหารบางทีถ้าอดมากเกินไปมันก็อาจจะทําให้เจ็บไข้ได้ป่วยได้ถ้าเป็นเหตุทางร่างกายเราก็ต้องแก้ทางร่างกายก็คือจะต้องระงับการอดอาหารไว้ชั่วคราวกลับมารับประทานอาหาร ตามปกติก่อนจนกว่าร่างกายจะหายเป็นปกติแล้วเราค่อยกลับมาอดใหม่อย่างหลวงตาท่านก็เคยมีประสบะการณ์เกี่ยวกับเรื่องการอดอาหารท่านบอกว่าเวลาอดอาหารเนี่มันภาวนามันก้าวหน้ า, น า, นาดีจิตมีความสุขก็เลยบางทีอดเลยเถิดไปอดมากเกินไปท่านบอกอดอย่างกระทัง่งท้องเสียคือเวลาท่านกลับมาฉันนี่ อาหารไม่ย่อยมันจะถ่ายออกมาหมดเลยเหมือนเนื้นร่งกายมันไม่มันไ ม, ม, นไม่มันไม่ย่อยอาหารมันถูกอดมานานมันย่อยอาหารไม่เป็นท่านแล้วพออาหารเข้าไปก็เลยเข้าไปยังไงก็ออกมาอย่างนั้นบอกเิ่นเวลาอดอาหารก็ต้องดูกําลังของร่างกายว่าจะไปได้มากน้อยเพียงไรเพราะเราไม่ได้อดเพื่อเอาวันเวลา การอดนี้เป็นการกระตุ้นการภาวนาเพราะถ้าเราไม่อดบางครัง้งมันจะขี้เกียจมันจะเกียดข้านมันจะง่วงนอนเพราะเรารับประทานอาหารอิ่มแล้วมันก็สบายก็อยากจะนอนแต่ถ้าเราอดอาหารนี่มันไม่สบายมันก็ต้องหาความสบายด้วยการภาวนาด้วยการปฏิบัติเวลาปฏิบัติใจสงบแล้วใจก็จะสบายถึงแม้ว่าร่างกายจะอด อยากขาดแคลนก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดดนั้นต้องดูว่าเป็นเรื่องของกิเลสอยากจะเลิอกอดเพื่อที่จะได้มากินว่าอยากจะกินก็เลยสร้างอาการทางร่างกายหรือว่ามันเป็นเรื่องของทางร่างกายก็ต้องพิจารณาดูถ้าไม่แน่ใจก็ออกมาก่อนก็ได้เพื่อรักษาร่างกายไว้เพราะร่างกายนี้เรายัางต้องอาศัยมันใช้สร้างทำ ถ้าไม่มีร่างกายเราก็จะปฏิบัติทำไม่ได้หรือว่าร่างกายพิกลพิการไปก็จะลาบากต่อการปฏิบัติธรรมเราก็ยองเราก็ต้องรักษาร่างกายแต่มันที่ที่ได้แสดงไว้ว่าให้สละชีวิตเพื่อรักษาธรรมนี่ท่านหมายถึงในกรณีที่มันต้องเลือกกันจริงๆครับท่านบอกว่าก็ต้องเอาธรรมดีกว่าเอาร่างกาย นั่นอาจจะเป็นธรรมขั้นสูงแล้วก็ได้ดึงขอให้ใช้ปัญญาแยกแยะพิจารณาตามความเหมาะสมข้อที่สองมีวันหนึ่งที่ขนาดนั่งสมาธิที่ศาลาสวดมนต์ธรรมวัดเย็นหนูรู้สึกเหมือนจะตกเหวตกบ่อจิตมันมารวมตรงอกแต่ตอนนั้นได้ยินเสียงเคาะไม้เพื่อเป็นสัญญาณให้หยุดนั่งสมาธิ ลืมตาขึ้นมาเพื่อมาสวดแผ่เมตตาหนูพยายามฝืนดึงมันขึ้นมาพอลืมตาแล้วรู้สึกใจสันส่นๆและเวลานั่งวันต่อๆมาพอรู้สึกสงบสักพักหนูจะระแวงเรื่องเวลาระแวงเสียงการเคาะไม้ทำให้ไม่มีไม่มีอาการเหมือนจะตกเหวตกบ่ออีกถามว่า ถ้าไปนั่งสมาธิที่ศาลาสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วมีความรู้สึกตกเหวตกบ่ออีกหนูควรปล่อยใช่ไหมคะและถ้าอาการแบบนี้เป็นอาการจิตรวมเป็นอัปปนาหนูก็ควรนั่งต่อไปไม่พยายามดึงมาอีก และถ้าจิตรวมจริงหนูนั่งต่อในศาลาไปจนกว่าจิตจะถอนได้ไหมคะแม้ว่าคนอื่นจะสวดมนต์แผ่เมตตาแล้วลุกออกจากศาลาไปแล้วคะ่ะมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จ ะ, ะลําบากใจอยู่เพราะว่าเวลาเราทํากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นนี่เราก็ไม่อยากจะทําตัวให้เราแปลกแยกเพราะจะเป็น เป้าหมายของผู้อื่นได้การภาวนาจริงๆแล้วทางสายปฏิบัติจึงไม่นิยมมานั่งภาวนาร่วมกันเราจะเน้นการปิกวิเวกการภาวนาการตามลําพังเพราะว่าเวลานั่งสมาธินี้แต่ละคนไม่ทราบว่าจะรวมกันเมื่อไหร่รวมนานหรือไม่นานถ้าไปนั่งรวมกันแล้วมันจะขัดกันได้ เพาะท่านบอกว่าถ้าจิตรวมแล้วไม่ควรที่จะดึงมันออกมาปล่อยให้มันอยู่ในสมาธิจนกว่ามันจะถอนออกมาเองเพราะว่าถ้าเราไปถอนมันออกมามันก็อาจจะทําให้เข้าไปยากในข่าวต่อไปหรือก็อาจจะเกิดภาวะอย่างที่เล่าให้ฟังพอจิตรวมแล้วก็จะเกิดความวิตกกังวลว่าจะถึงเวลาออกมาหรือ ย, ยังแทนที่จิตจะสงบจิตก็เริ่ม มีภาวะของความคิดปรุงแต่งขึ้นมาก็จะไม่สงบเท่าที่ควรดังนั้นถ้าอยากจะภาวนาควรจะไปอยู่แบบปีกวิเวกจะดีกว่ า, าหาที่สงบที่ไม่ต้องไปร่วมทากิจกรรมกับผู้อื่นผู้ที่เป็นร่วมทากิจกรรมกันนี้เหมาะสำหรับพวกที่ยังภาวนาตามลำพังไม่ได้ต้องอาศัยกำลังใจของผู้อื่น คืต้องให้ผู้อื่นเขาบังคับเราเขานั่งเราก็ต้องทนนั่งถึงแม้ไม่อยากจะนั่งก็ต้องนั่งที่ว่าเขากําหนดเวลาให้ไปไหว้พระสวดมนต์พร้อมกันเพราะว่าถ้าไม่มีการกําหนดเวลาก็จะไม่ไปกันจะแทนที่จะไปนั่งสมาธิก็จะไปนั่งคุยกันตามที่พักก็ได้ก็เลยต้องมีกําหนดเวลาให้ไปไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็มีเวลาเลิก ก็คนนั่งแต่ละคนนี้ก็มีกำลังไม่เท่ากันบางคนนั่งได้สิบนาทีก็อยากจะลุกแล้วบางคนนั่งได้เป็นชั่วโมงนี่มันก็เลยจะทำให้ค่อนข้างจะลำบากถ้าเราจะต้องไปนั่งก็ไปได้ถ้าจิตรวมแล้วถึงเวลาเขาทาให้เรียกให้ทำกิจกรรมอย่างอื่นถ้าเราออกมาได้ก็ต้องออกมาทำกิจกรรมตามขอไปจะดีกว่า ไม่งั้นเดี๋ยวเราจะกลายเป็นของแปลกประหลาดไปคำถามต่อไปจากคุณซูซี่ทำไมเวลาระหว่างทำบุญหรือนึกถึงบุญที่ทำจึงมีปิติมากจนน้ำตาไหลคะก่อนนี้ไม่เป็นค่ะแต่พอตั้งใจปฏิบัติทานศีลภาวนาได้มากจึงเป็นค่ะบางทีแค่นึกอนุโมทนาบุญกับเขา ก็มีปิติน้ำตาคลอขึ้นมาค่ะมันก็เป็นอำนาจของบุญที่จะทำให้ใจเกิดความปิติเกิดความสุขขึ้นมาคำถามต่อไปจากคุณสมศักดิ์ตายแล้วไปเกิดอะไรไปเกิดถ้าจิตไปเกิดใหม่ได้ตอนอยู่ในคนเดิมจิตไม่มีรูปจิตอยู่ที่ไหนครับ จิตก็อยู่ข้างๆร่างกายนี่แหละจิตเป็นผู้กระซิบบอกให้ร่างกายทําอะไรต่างๆจิตเป็นเหมือนมนุษย์ล่องหนจิตเป็นผู้คอยพาร่างกายไปไหนมาไหนเหมือนกับเวลาที่เรามีสุนัขเราจะพาสุนัขไปเดินเที่ยวเราก็ใช้ อ, อะไรผูกตัวสุนัขไว้แล้วเราก็จูงมันไปใจเราก็เป็นเหมือนเจ้าของสุนัขไง ร่างกายเหล่านี้ก็เป็นเหมือนสุนัขเองแต่ว่าใจที่เป็นเจ้าของร่างกายนี้ไม่มีรูปมีร่างเท่านั้นเองมีแต่ความรู้สึกนึกคิดผู้สั่งให้ร่างกายทาอะไรใจอยู่กับร่างกายไปจนกว่าร่างกายหมดสภาพไปใจก็ต้องทิ้งร่างกายไปเหมือนเจ้าของสุนัขหลังจากที่สุนัขตายไปแล้วเจ้าของก็ต้องเปลี่ยนสุนัขใหม่ ไปซื้อสุนัขตัวใหม่มาเลี้ยงร่างกายนี้ก็เป็นเพียงสุนัขตัวหนึ่งเท่านเองสําหรับใจพอ ร, ร่างกายนี้ตายไปใจก็ไปหาร่างกายอันใหม่จะได้ช้าเรือเร็วมันก็อยู่ที่บุญบาปที่เราได้ทําไว้ด้วยเพราะมันมีส่วนที่จะบังคับให้เราต้องไปรับผลบุญผลบาปก่อนก่อนที่เราจะได้กลับมาได้ร่างกายอันใหม่ อันนี้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายกับใจใจเป็นเป็นเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอยากจะเห็นใจก็ต้องภาวนาทำใจให้รวมเป็นอัปปนาสมาธิแล้วก็จะเห็นสักแตะวารู้ตัวรู้ขึ้นมานั่นแหละคือตัวใจคำถามต่อไปจากคุณนิชาภา ตลอดทั้งวันจะรู้สึกถึงลมเข้าออกที่จมูกเหนือริมฝีปากใจสงบดีไม่อยากไปไหนเวลาคุยกับใครก็รู้เรื่องดีแต่ก็รู้ลมที่ออกจมูกด้วยผิดปกติไหมเจ้าคะและถ้าเวลานั่งที่ไหนสักพักถ้าหลับตาได้จิตก็รวมโดยเร็วเหมือนมีคาถาเข้าถ้ำอลาดินได้ เย็นสงบนิ่งอยากจะออกเมื่อไหร่ก็ลืมตาแบบนี้ปกติใหมคะเป็นมาเกือบยี่สิบวันแล้วเจ้าคะ่ะก็คือเป็นใจที่มีสติมีสมาธินั่นเองจะว่าผิดปกติก็ผิดปกติจากคนที่ไม่มีสติไม่มีสมาธิคำถามต่อไปจากคุณเอ การนั่งสมาธิเพื่อบรรลุปฐมฌานนั้นเราต้องกำหนดลมหายใจตลอดเวลาใช่หรือไม่จำเป็นหรือไม่ที่เราต้องกำหนดรู้ลมสามฐานคือลมหายใจเข้ากระทบจมูก อ, กอกเหนือสะดือความจริงเท่าที่ได้ยินได้ฟังมาท่านให้อยู่กับจุดเดียวจะดีกว่าใจจะได้นิ่งให้กำหนดอยู่จุดใดที่เราเห็นลมได้ชัดเจน ท่านบอกว่าบางทีก็อยู่ที่ปลายจมูกหรือบางทีก็อยู่ที่กลางหน้าอกมีสองจุดที่เราสามารถตั้งสติรับรู้เรื่องของลมได้ไม่ต้องไปตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกเพราะเป็นการทางานของใจเ ป, เป็นการปรุงแต่งถ้าใจยังมีความคิดปรุงแต่งอยู่ใจก็จะสงบรวมเป็นหนึ่งไม่ได้แต่ถ้าใจเกาะติดอยู่กับจุดเดียวใจก็จะรวมเข้าสู่ ความเป็นนหึ่งได้คำถามต่อไปจากคุณดาวีนั่งสมาธิอยู่ที่บ้านแต่กําหนดจิตว่ากําลังนั่งอยู่สถานที่อื่นเช่นป่าช้าเพื่อให้ใจสงบเร็วขึ้นผิดหรือถูกครับเจะว่าผิดก็ไม่ผิดอเพียงแต่ว่ามันจะหลอกตัวเองหรือเปล่าแต่ถ้ามันหลอกแล้วทําให้จิตสงบได้ก็ใช้ได้ บางคนพอคิดแล้วกลัวขึ้นมาเหมือนกับไปอยู่กับสถานที่จริงก็ดีไปเพราะว่าต้องการสร้างความกลัวขึ้นมาใจจะได้ไม่กล้าออกไปข้างนอกไม่กล้าออกไปพอออกไปก็จะไปเจอสิ่งที่น่ากลัวก็จะดึงใจเข้ามาข้างในได้การที่เราไปอยู่ที่น่ากลัวน่ากลัวก็เพื่อบังคับใจให้เข้าข้างใน เพราะถ้าเราไปอยู่ในสถานที่ที่เราชอบน่ารักเราก็อยากจะออกไปหาสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักมันก็จะไม่เข้าข้างในไม่เข้าข้างในมันก็จะไม่สงบไม่เป็นสมาธิแต่ถ้าเราไปอยู่ในสถานที่น่ากลัวที่เราไม่กล้าออกไปดูออกไปรับรู้มันก็จะเข้าข้างในง่ายแล้วก็จะเป็นสมาธิได้ง่ายกว่าคำถามต่อไปจากคุณเจปอนโย การที่เราปฏิเสธรับเงินที่เขาฝากทําบุญจะเป็นการขาดบุญหรือเป็นบาปอะไรไหมคะก็ขึ้นอยู่กับเหตุผลว่าเราปฏิเสธทําไมเพราะว่าการทําบุญนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าเราเอื้อเฟื้อต่อผู้ที่เขาจะขอร่วมบุญด้วยได้ก็น่าจะทําเพราะมันก็เป็นบุญอีกต่อนหนึ่งสําหรับเราคือบุญที่เกิดจากการได้ช่วยเหลือหรือรับใช้ผู้อื่น บุญมีสิบประการด้วยกันบุญที่เราทำเราเบริจากทรัพย์นี่เราเรียกว่าทานแล้วถ้าคนอื่นเขาอยากจะบริจากทรัพย์เพื่อเขาจะได้ทานบ้างแต่เขาไม่มีเวลาที่จะไปวัดกับเราเขาขอฝากเงินเราปาเราก็ควรจะรับไว้เพื่อเพื่อสงเคราะห์เขาช่วยเหลือเขาเราก็จะได้บุญด้วยจากการที่เราสงเคราะห์เขาช่วยเหลือเขาเป็นบุญอีกแบบหนึ่ง คำถามต่อไปจากคุณภูโตคนที่มีฐานะปานกลางแต่อยากได้บุญมากจึงเร่งทำบุญถวายพระเกินกำลังที่ตนจะทำได้จนท้ายสุดต้องมานั่งเป็นทุกข์กับหนี้ที่เกิดขึ้นพอดีเป็นคนที่ยมรู้จักและชอบทำบุญถวายปัจจัยจำนวนมากแต่ท้ายสุดก็ต้องกลับมานั่งเป็นทุกข์เพราะเรื่องเงินโยมเคยพูดเตือนสติแล้วว่า แม้ทำแค่หนึ่งบาทแต่จิตบริสุทธ์ก็ได้อานิสงส์งเท่ากับทำหนึ่งล้านแต่แกก็ไม่เชื่อเพราะแกมีความศรัทธาในพ่อแม่ครูบาอาจารย์และจริงๆแล้วการภาวนาฝึกจิตตามคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่างหากที่เป็นสิ่งที่เราควรฝึกและได้บุญมากกว่าทานวัตถุแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ใช่หรือไม่ครับ การทําบุญก็เหมือนกับการรับประทานยายาก็มีหลายขนาดแล้วยาแต่ละขนาด น, นี้ก็ต้องรับประทานพอประมาณถ้ารับประทานมากเกินไปก็ทําให้แพ้ยาได้แทนที่ยาจะเป็นคุณก็จะเป็นโทษได้เช่นการทําทานนี้ก็เป็นยาขนาดหนึ่งยาขนาดที่สองก็การรักษาศีลขนาดที่สามก็คือการภาวนา ที่มีอั น, นิสงส์มีกำลังมากกว่าการการทำทานถ้าเราอยากจะทำทานเราก็ต้องทำตามกำลังของเราคือไม่สร้างปัญหาสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้กับตัวเราเองหรือผู้อื่นท่านบอกว่าให้เอาเงินในส่วนที่เราไม่ต้องใช้แล้วส่วนที่เกินที่เราไม่ต้องอาศัยมันเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้อันนั้นนะ่ะให้เอาไปทำ แต่ส่วนที่เรายัางต้องใช้อยู่ต้องเอามาดูแลรักษาร่างกายของเราก็ดีดูแลรักษาร่างกายของคนที่เรายัางมีความรับผิดชอบอยู่ก็ดีเช่นพ่อแม่บุตรธิดาเงินหลนเงิกนก้อนนี้ก็ต้องควรสงวนเก็บไว้ส่วนเงินที่ไม่ต้องเอามาใช้ดูแลนี้ก็เอาไปทาบุญได้เช่นเงินเอาไปเที่ยวเงินเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่าง เงินเงินแบบนั้นนะ่ะควรจะเอาไปทำทานเพราะจะไม่ทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ทำและจะเป็นบุญเป็นประโยชน์เพราะจะได้ตัดกิเลสตัณหาที่จะใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยไปนี่คือหน้าที่ของการทำทานคนทาทานจึงต้องรู้จักหน้าที่เหมือนกับการกินยาเวลาหมอให้ยาหมอจึงต้องเขียนฉลากไว้เขียนกากับยาว่าให้กินเวลากี่ครั้งกินละเท่าไหร่ ถ้ากินมากเกินไปมันก็จะทำให้แสดงทำให้ร่างกายแทนที่จะหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะเกิดอาการแพ้ยาขึ้นมาเพราะกินยาเกินขนาดได้ดังนั้นต้องบอกแกว่าถ้าอยากจะได้บุญมากกว่านี้ก็ต้องรักษาศีลเริ่มจากรักษาศีลห้าไปแล้วก็รักษาศีลแปดแล้วถ้ารักษาศีลแปดได้แล้วอยากจะได้บุญมากกว่า บุญที่ได้จากการรักษาศีลก็ให้แก่ฝึกภาวนาฝึกเจริญสติสวดมนต์บริกรรมพุทโธนั่งสมาธิไปแล้วจะได้บุญมากกว่าบุญที่ได้จากการทําทานเป็นล้านเป็นเป็นเป็นพัน 1, ล้านบุญในแต่ละขั้นก็เปิดเหมือนกับภาชนะรองใส่น้ำเช่นบุญขนาดทานนี่ก็เหมือนน้าแก้วหนึ่งบุญขนาดศีลก็เหมือนน้ำกระป๋งหนึ่ง บุญขนาดภาวนาก็เหมือนตุ่มใบหนึ่งงันถ้าเราอยากจะได้บุญมากๆเราก็ต้องเอาภาชนะใหญ่ๆเอาตุ่มถึงจะใส่ได้มากถ้าเอาบุญเอาน้ำไปใส่แก้วใส่มากน้อยเพียงไรก็ได้แค่เพียงแก้วเดียวถ้าอยากจะได้มากกว่าแก้วก็ต้องเอาไปใส่ในถังก็ต้องไปรักษาศีลถ้าอยากจะได้น้ำมากกว่าน้ำในถังก็ต้องไปใส่ตุ่ม เราไปสายตุ่มก็ต้องภาวนานี่คือขัน้นขนาดของบุญที่มีไม่เท่ากันแต่ต้องอาศัยกันและกันเป็นผู้สนับสนุนการที่จะทำบุญระดับตุ่มได้ก็ต้องทำบุญระดับกระแปงให้ได้ก่อนถ้ายัางทาก่อนที่จะทำกระระดับกระแปงได้ก็ต้องทำระดับถ้วยน้ำให้ได้ก่อนต้องทำไปจากน้อยไปหามาก คำถามต่อไปจากคุณชีวิตใหม่ข้อที่หนึ่งการภาวนานี้คำบริกรรมที่ใช้คืออนาปานสติกำหนดดูลมหายใจเข้าออกใช่ไหมครับตามหลักที่พระพุทธองค์ใช้แต่คำบริกรรมหรือกรรมฐาน 40- นี้ที่นำมาใช้เป็นการปรุงแต่งไหมครับบางทีผมพยายามจับลมหายใจเข้าออกแต่จับไม่เด่นชัด จับลมไม่ค่อยได้ครับหรือบางทีจับก็จะเหนื่อยมากเหมือนบังคับลมครับบริกรรมไม่ได้เลยเลยมาใช้คำบริกรรมพุโทโธแต่การบริกรรมพุโทโธนี้ก็บริกรรมไปเรื่อยครับถ้ากำหนดตามลมหายใจก็จะเหนื่อยถ้าไม่กำหนดคำบริกรรมพุโทโธตามลมหายใจนี้เป็นการภาวนาที่ถูกต้องไหมครับคือการภาวนา ด้วยการจเจริญสตินี้มีวิธีหลากหลายด้วยกันอย่างที่พูดกรรมฐาน40สนี้สามารถใช้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เกิดสติขึ้นมาเช่นเราจะใช้คําบริกรรมพุทโธตั้งแต่ตื่นจนหลับก็ได้นี้พอเราสามารถบริกรรมพุทโธได้ตลอดเวลาเวลามีพุทโธอยู่ในใจใจก็จะไม่รอยไปไหนใจก็จะตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบัน พอเวลามานั่งเราก็บริกรรมพุโทโธต่อก็ได้ถ้าไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะรวมลงด้วยกําลังของพุโทโธเพียงอย่างเดียวก็ได้แต่บางท่านก็ใช้วิธีอื่นเช่นแทนที่จะบริกรรมพุโทโธตั้งแต่ตื่นขึ้นมาก็ใช้การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายว่าตอนนี้ร่างกายกําลังทําอะไรอยู่ก็อยู่กับการกระทําอย่างนั้นไปทุกอิรลียบทของการเคลื่อนไหว ไม่ปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องอื่นๆมันก็เหมือนกับอยู่กับพุโทโธเอแล้วเวลามานั่งเวลานั่งกายนั่งเฉยๆไม่เคลื่อนไหวก็ดูลมแทนดูลมหายใจเข้าออกอันนี้เป็นเป็นที่เป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นคำสอนที่อยู่ในพระสูตรในสติปัฏฐานสูตรเอุตเทเจ้าสอนเวลานั่งสมาธิก็ให้ใช้อานาปนาสติดูลมหายใจเข้าออกเวลาออกจากสมาธิมา มาเดินมาทำอะไรก็ให้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเขาเรียกว่ากายกตาสติยันวิธีไหนก็ได้ที่มันทำให้ใจเราไม่ลอยไปลอยมาไม่ไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ให้ใจตั้งมั่นอยู่กับเรื่องเดียวก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องข้อที่สองคำว่าใช้นี่สงคือผมได้ยินบ่อยเหลือเกินกับคำว่าใช่นี่สง ที่เวลาคนที่ทำบุญถวายจะตุปปัจจัยเขียนในใบใบปวารณาคนเราไปติดนี้ส่งตอนไหนครับน้ำไฟห้องน้ำก็สงอนุญาตถึงใช้ดินทรายก็เดินเข้าออกวัดก็ติดอยู่แล้วครับหรือไปที่ไหนที่ไม่ใช่วัดก็ติดไปก็ไปทำบุญครับแล้วติดหน้สงแบบไหนครับก็เป็นความคิดของผู้ที่เขาคิดเองว่าเขาติด เกืเข้ามาวัดเข้าใช้น้ําของวัดเขาก็คิดว่าเป็นการสร้างหนี้ให้กับสงฆ์เพราะสงฆ์จะต้องไปจ่ายค่าน้ํำค่าไฟเขาก็เลยอยากจะรับภาระนี้ภาระหนี้ของสงฆ์ไปถึงแม้ว่าสงฆ์จะอนุญาตให้ใช้ฟรีไม่ให้ไม่ต้องเสียเงินเสียทองก็ได้แต่เนื่องจากเขาเป็นคนที่ใจบุญสุนทานเป็นคนที่มีความคิดถึงาภาระ ของผู้อื่นอยากจะช่วยแบ่งเบาภาระเขาก็เลยขอช่วยใช้หนี้สงให้จะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้อันนี้ไม่มีใครบังคับเวลามาวัดนี้ถ้าไม่จะมาไม่มาทาบุญก็ได้จะมาขนกลับข้าวกลับบ้านไปก็ได้ไม่มีใครว่าอะไรแต่ผลมันต่างกันเข้าใจไหมถ้าขนข้าวกลับไปมันก็เป็นพวกเปรตถ้ามาเอาเงินมาถวายช่วยหนี้สงก็เป็นพวกเทวดา ก็แล้วแต่อยากจะเป็นอะไรก็เลือกเอาคำถามต่อไปจากคุณหนูเดียถ้าโยมไปบวชที่วัดพระอาจารย์ช่วงเข้าพรรษาไม่ทราบว่าทางวัดพระอาจารย์สามารถให้บวชได้หรือเปล่าคะทางวัดเขาให้มาอยู่เป็นอุบาสิกาถือศีลแปดและเนื่องจากมีที่จำกัดเขาเลยต้องอนุญาตให้อยู่ครั้งละไม่เกินจิตวันเป็นอย่างมากแล้วถ้าเกิดมีที่ว่าง หลังจากครบเจวันแล้วเขาก็อาจจะต่อให้ก็ได้หรือไม่ต่อให้ก็ได้อันนี้สุดแท้แต่ความเมตตาของผู้ที่เขาพดดูแลอยู่แต่ทั้งวัดเนื่องจากเป็นที่ไม่มีที่กว้างขวางรับได้ไม่ไ ม, ไม่ไม่มากยี่สิบสสิบคนรู้สึกจะมีสองตึกสำหรับผู้ปฏิบัติตามผู้หญิงตึกหนึ่งก็ประมาณสิบคนก็ตึกละยี่สิบเนี่ย แต่กยี่บสองแต่ก็สี่สิบด้วยกันแล้วก็มีบ้านเดียวเองจำนวนหนึ่งก็มีมีความจำกัดที่จะต้องอกำหนดมาตรการต่างๆเพื่อที่จะได้ให้เปิดกว้างแก่บุคคลอื่นด้วยไม่ใช่เฉพาะแต่บุคคลเพียงไม่กี่คนก็เลยทางวัดนี้ก็คิดว่าคงจะมาอยู่จำบัรสาไม่ได้มาได้ก็เพียงเจ็ดวันสามารถจองที่พักล่วงหน้าได้ คำถามต่อไปจากมีผู้ฝากถามบุญและกุศลต่างกันอย่างไรคะต่างกันที่ความความนิยามความกำจัดความหมายบุญแปลว่าความสุขใจกุศลก็คือความฉลาดความฉลาดก็คือความรู้รู้สิ่งที่ควรจะรู้เช่นรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้บุคคล รู้สังคมรู้ประมาณรู้กาลเทศะนี่เรียกว่ากุศลหมดแล้วเหละอ่ามีคำถามะอ่ามาถามมาก็อยากจะถามก็คิดนะเดี๋ยวเวลาปิดไมายเราอย่ามานึกออกตอนตอนนี้ยังมีเวลาถามได้ที่บ้านฝากถามนะคะว่าวันก่อนเขาพาหลานไปแคส เพจะเป็นพีเซนเตอร์บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแล้วก็คิดว่าน่าจะได้เพราะว่าแม่เขากับเจ้าของบริษัทบะหมีเป็นเพื่อนกันแต่ไปแคสเพราะว่าต้องผ่านเอเจนซี่แต่ทีนี้เพื่อนเขารู้ข่าวอีกคนนึงเขาก็ไลน์มาบอกว่าทําอย่างเงี้ยเหมือนส่งเสริมให้ลูกทําบาปเพราะว่าเป็นดาราเป็นที่เกี่ยวกับการแสดงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนส่งเสริมให้คนทําบาปแล้วเขาก็ไปยกเรื่องพระไตรปิฎกมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยคนที่ถือสินแปรก็จะรู้ดีว่า การอาชีพแบบนี้มันส่งเสริมให้มีทางออกทางตาหูจมูกลิ้นกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแม่เด็กเขาก็ไม่สบายใจเขาฝากถังนี่ค่ะก็คือเราพูดกันคนละมาตรฐานไงพูดถึงมาตรฐานของผู้ปฏิบัติธรรมของนักบวชกับผู้ เ, เป็นฆรวาสคลองเรือนนี้จะเอามาใช้ปนกันมันก็มันก็จะมันก็จะไม่ถูกเพราะว่าม า, มาตรฐานมันคนละมาตรฐานกัน สำหรัคารวะผู้ครองเรือ น, นี้ท่านก็ให้รักษาศีลห้าเป็นหลักถ้าไม่ถ้ารักษาศีลห้าได้ก็ไม่ถือว่าทําบาปการไปถ้ามีอาชีพอะไรต่างๆที่ไม่เป็นมิจฉาชีพก็ถือว่าไม่ไม่เป็นบาปเช่นการไปทําอะไรโฆษณาอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นบาปแต่อย่างใดแต่มันอาจจะมีอุปสรรคในอนาคตเช่นถ้า อยากจะไปปฏิบัติธรรมอย่างนี้ก็อาจจะติดแล้วอาจจะไปยากเพราะยังติดเรื่องของความสวยๆงามๆอะไรอย่างนี้อยู่เรื่องเรื่องบันเทิงเรื่องอะไรอยู่เพราะว่าถ้าเราเกี่ยวข้องกับมันแล้วมันก็อาจจะผูกพันกันไปทำให้การที่จะไปปฏิบัติธรรม ถือสินแปลนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ยากลำบากกว่าทุกคนที่เขาไม่ไดม้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของวงการบันเทิงแต่ถ้าตามปกติแล้วก็ไม่เสียหายอะไรจะทำอาชีพขายมามา่าหรือขายขายลอตเตอรี่หรือขายอะไรก็ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมไม่บาปแต่อย่างใดเั้นขอให้สบายใจได้ มีอีกข้อนึงค่ะจริงๆเราเป็นเรื่องความคาใจของหนูเองคือว่าที่บ้านพาหลานมาทำบุญสองครั้งแล้วทีนี้หนูก็คุยกับหลานชายว่าครบเจ็ดขวบแล้วจะชวนเขาบวชสามเณรทีนี้เขาก็พูดให้คุณแม่เขาได้ยินว่าเขาไม่อยากบวชสามเณรแต่เขาบวชอยากบวชเป็นพระแบบหลวงตาแต่ว่าเป็นคาพูดเด็กสี่ขวบ แม่เขาก็ตกใจก็กลัวว่าจะเป็นแบบพระอาจารย์คือบวชไม่สึกเขาก็ <laughs> <laughs> เขาก็เปลี่ยนใจเคยวางแผนจะพาลูกมาทําบุญที่วัดนี้เขาก็เปลี่ยนใจแบบไม่พามาแทนแต่ว่าฝากตังมาอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วหนูก็มีความรู้สึกว่าแม่เขาคิดแปลกๆแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรทีนี้หนูก็มีความรู้สึกว่าหลานๆได้มาก็ดีอย่างเพราะหนูก็จะได้มีเวลาพูดโทรหรืออะไรนะคะแต่ว่าทางที่ถูกแบบนี้ยมันควรเป็นยังไงนะคะมันไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เกี่ยวกับเราเหรอกมันเรื่องของ ของแม่เขาเองแม่ก็ยังรักยังห่วงลูกอยู่แล้วเขาไม่เห็นคุณค่าของการบวชเขาก็เลยไม่อยากจะให้ลูกบวชในเมื่อเรามาชวนลูกให้ใหเขาบวชเขาก็เลยไม่อยากจะพามาเพราะเดี๋ยวถ้าพามาก็จะชวนอยู่เรื่อยๆแล้วมันก็จะฝังอยู่ในใจของเด็กแล้วเด็กก็อาจจะบวชตามที่เราชวนก็ได้เอ งั้นก็ไม่ไม่ไม่เป็นเรื่องที่จะว่าเสียหายแต่อย่างใดเป็นธรรมชาติของแม่ของของคนที่รักลูกที่เขาอยากจะให้ลูกไปในทางที่เขาไปเพราะเขาเห็นว่าทางที่เขาไปเป็นทางของความสุขเขาเห็นว่ า, าการไปบวชนี่เป็นการไปอยู่แบบทุกข์ยากลาบากเขาก็ไม่อยากจะให้ลูกไปอยู่แบบทุกข์ยากลาบากเพราะเขาไม่เห็นความสุขทางใจ ความสุขทางใจมันเป็นนามธรรมมันไม่มันไม่เป็นรูปประธรรมเหมือนกับความสุขทางร่างกายเขาอยากจะให้ลูกทำงานทำมาหากินเป็นเศรษฐีมากกว่าเพราะเขาเห็นว่ามันเป็นความสุขเขากลัวลูกจะต้องไปทุกข์เหมือนเราที่มาทุกข์อยู่ทุกวันนี้มอยู่ม่อยู่แบบขอทานขอที่เขาอยู่ขออาหารเขากินแต่เขาไม่เห็นความสุขใจที่เรามีอยู่นั่นเราอย่าไปคิดอะไร เราต้องเข้าใจเขาแล้วก็ดีแล้วล่ะถ้าเขาไม่มาก็ดีเราก็จะได้มีเวลาภาวน า, พ อ, วาพอเวลาเข้ามาบางทีเราก็ดีใจพอเวลาเขาไปเราก็เศร้าคิดถึงเขามีคนอยากจะถามกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะ นอกจากการภาวนาแล้วเนี่ยเรามีวิธีการไหนที่เราจะฝึกจิตของเราให้ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นนะคะก็ฝึกสติไปก่อนฝึกสติก็คือให้เรามีอะไรควบคุมใจไว้อย่าปล่อยให้ใจคิดเรุ่ยเปื่อยเช่นการบริกรรมพุทโธเวลาใดที่เราไม่ต้องใช้ความคิด แล้วใจมันเริ่มลอยคิดเพ้อเจ้อไปถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เอาพุโทโธมาหยุดมันจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเราไม่รู้จักวิธีหยุดมันเวลามันคิดไปในทางที่ไม่ดีคิดไปในทางที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ใจเราจะไม่มีความสามารถที่จะหยุดมันได้แต่ถ้าเราฝึกหยุดใจหยุดความคิดเวลาใจคิดไปในทางที่ไม่ดีคิดไปในทางที่ทาให้เราไม่สบายใจ เราก็ยังสามารถที่จะหยุดมันได้การจเจริญสตินี้ไม่จำเป็นจะต้องไปอยู่วัดไม่ต้องไปอยู่คนเดียวเราเราทำได้ตลอดทั้งวันตั้งแต่เราตื่นจนหลับเพียงแต่ว่ามันยากหรือง่ายต่างกันเท่านั้นเองถ้าอยู่คนเดียวมันจะง่ายกว่าเพราะจะไม่มีคนน้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้มาดึงใจให้เราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ถ้าเราอยู่คนเดียวเราก็จะดึงมันให้นิ่งให้มันเฉยๆไม่คิดอะไรได้อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นก่อนที่จะไปภาวนาต้องฝึกสติก่อนถ้าเรามีสติแล้วเราอยากจะไปภาวนาเองเพราะเราจะเห็นคุณค่าของความว่างของใจเห็นคุณค่าของความสงบของใจเราก็อยากจะให้มันสงบมากๆสงบตลอดเวลา ตอนนั้นเราก็ต้องหยุดการทํางานทําภารกิจอย่างอื่นเพื่อที่เราจะได้มีเวลาไปปลีกวิเวกไปภาวนาได้อย่างเต็มที่ถ้าเรายัางไปไม่ได้ก็ใช้การฝึกสติไปก่อนตั้งแต่ตื่นขึ้นมาลืมตาก็บริกรรมพุทโธไปก็ได้หรือเฝ้าดูร่างกายเหมือนร่างกายเป็นสุ น, นัขตัวหนึ่งเราต้องพามันไปอาบน้ําอาบท่าไปแปรงฟันไปล้างหน้าล้างตา ก็เฝ้าดูการกระทำของเราไปอย่าไปคิดถึงเรื่องอื่นถ้าต้องคิดเรื่องงานเรื่องการก็หยุดการเคลื่อนไหวของร่างกายไว้ชั่วคราวเช่นนั่งเฉยๆหรือยืนเฉยๆแล้วก็คิดถึงเรื่องงานเรื่องการต่างๆที่จะต้องทำเมื่อคิดเสร็จแล้วเราก็ดำเนินการต่อไปเราก็เฝ้าดูการดำเนินการของร่างกายอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นอกจากเรื่องที่เรากาลังทาอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น แล้วใจเราจะนิ่งจะสงบง่ายเราจะหยุดความคิดปรุงแต่งไม่ดีได้ถ้าเราต้องการจะหยุดมันก่อนหน้านั้นก็ต้องหัดถือศีลเอถือศีลห้าการถือศีลห้าก็เป็นการฝึกใจแบบหนึ่งควบคุมใจไม่ทําไม่ไปทําไปพูดในสิ่งที่ไม่ดีอถ้ารักษาศีลห้าได้ก็รักษาศีลแปดต่อไปเป็นขั้นขั้น สินห้าไม่ได้ห้าข้อเอาสี่ข้อก็อยังดีหรือสามข้อสองข้อก็อได้ดีกว่าไม่มีเลยเข้าใจไหมอไหอดานะมีใครอยากจะถามไหมเอายกมือมานะครับกราบนมัสการครับเออในวันหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันมีเรื่องที่มันเป็นทุกข์เข้ามาหลายเรื่องมากมายอยากกราบขอเมตตาในการที่จะ ปล่อยวางที่มันเข้ามาในแต่ละวันนี่มีแนวทางปฏิบัติอย่างไงครับมันเข้ามันไม่ได้เข้ามาหรอกเราไปหามันเราไปคิดถึงมันเองถ้าเรามีพุทโธอยู่ไม่ไปคิดถึงมันมันก็เข้ามาไม่ได้แต่ถ้ามันเข้ามาแล้วเราก็ใช้วิธีพุทโธก็ได้ถ้าเราถ้าเราถ้าเรานึกได้ว่าเราต้องใช้พุทโธเราก็ใช้พุทโธไปความทุกข์ต่างๆเดี๋ยวมันก็จะหายไป ถ้าใช้พุโทโธไม่ได้ก็ลองใช้ปัญญาพิจารณาเรื่องที่ทำให้เราทุกข์ใจว่าเราทุกข์เพราะอะไรถ้าเราศึกษาพระพุทธศาสนาศึกษาคำสอนเราก็จะรู้ว่าความทุกข์ใจเกิดจากความอยากของเราเราก็พิจารณาว่าตอนนี้เรากำลังอยากกับเรื่องอะไรเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องธุรกิจเรื่องคนนั้นคนนี้เราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ แต่เราไปบังคับให้เขาเป็นไปตามความต้องการของเราได้หรือเปล่าเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขาเป็นอนัตตาเขาไม่อยู่ภายใต้คำสั่งของเราดังนั้นเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเขาจะทำอะไรเราก็ห้ามเขาไม่ได้เราก็จะหายทุกข์เพราะเราจะหยุดความอยากได้พอแล้วเหรอ ก็วิธีแก้ความทุกข์ก็มีสองวิธียอมรับมันอ่ายอมรับมันหรือบริกรรมพุโทโธพุโทโธอย่าไปคิดถึงมันลืมมันไปชั่วคราวก็ได้สองวิธีถ้ามีพุโทโธมันก็เหมือนกับไล่ความคิดต่างๆให้ออกไปพอมันออกไปจากใจความทุกข์ที่ม า, กกาความคิดนั้นมันก็จะหายไปมีใครอีกไหมคิดว่าคงไม่มีใครอยากจะถามแล้วนะ ยังก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิษย์พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอด